จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบราษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมมสวนาะวันฟังธรรมเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัตว์ได้หยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาเติมบุญเพราะการเติมบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการเติมน้ํามันเพราะใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่ยังต้องเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าไม่ได้เติม <c oughs> น้ํามัน ก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้พบในตายพบนี้มีพบของมนุษย์นี้พบเดียวที่เป็นพบที่สัตว์โลกสามารถเติมบุญหรือเติมบาปได้พบอื่นนั้นเป็นที่ไปรับผลบุญรับผลบาปเช่น ถ้าทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายอบายก็มีอยู่สคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคุกตารางที่จับไวข้ขังผู้ที่ก่อกรรมก่อเวรให้แก่ผู้อื่นลงโทษให้เ็ดให้หลาบส่วน สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมก็เป็นที่ไปรับผลบุญของผู้ที่ได้ทําบุญเปรียบเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินเพราะได้เสพลูกเสียงกลิ่นเล็ดรสที่เป็นทิพเป็นลูกทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ ไปจนกว่าบุญจะหมดก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวไปจนเงินหมดก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาทํางานกลับมาหางานหาเงินใหม่เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวใหม่ส่วนผู้ที่ไปทําบาปทํากรรมเช่นไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิด ต, ตัวแอนีไปโกหกหลอกลวง เศษบชรายาเมาและอบายามุกต่างๆก็ต้องไปรับผลกรรมไปติดคุกติดตารางไปเป็นเดราจฉานบ้างเป็นเปรบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นนรกบ้างพบของมนุษย์นี้เป็นพบที่ให้เราได้มาทำบุญกัน ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมพอเราไม่รู้เราก็จะทำไปตามความอารมณ์ทำตามความรู้สึกซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ของพวกเราก็เป็นอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงเวลาเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาก็ต้องทาตาม โลภอย่ากได้อะไรก็ต้องเอามาให้ได้ถ้าเอามาโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็จะเอาโดยวิธีที่ทําบาปนี่คื อ, อสภาพของผู้ที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าชีวิตของตนนั้นเกิดมาเพื่ออะไรกันก็จะทําตามอารมณ์ ก็จะต้องสลับทาบาบ้างทาบุญบ้างพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญและบาปก็จะมาแย่งเอาดวงวิญญาณของผู้ตายไปถ้าผลลัพธ์เป็นบุญก็ได้ไปสวรรค์ถ้าผลลัพธ์เป็นบาปคือถ้าบาปนี้มีมากกว่าบุญก็จะถูกดึงให้ไปเกิดในอบาย ไปใช้บาปจนกว่าบาปกับบุญนี้มีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่ในอบายไดแต่ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่มีผลลัพธ์ทงมีบุญมากกว่าบาปก็จะไปสวรรค์แล้วก็จะเสดความสุข ของบุญที่ได้ทำไว้จนกว่าบุญนั้นจะมีกำลังเท่ากับบาปก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสวรรค์ได้ต่อไปแต่ก็ไม่สามารถไปอบายได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนา ที่จะสอนให้ทำบุญถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่บุญของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีในศาสนาอื่นคืออะไรก็ปัญญานี้เองศาสนาอื่นนี้สอนคล้ายๆกันสอนให้ทำบุญละบาปศาสนาใดก็ตามจะสอนให้มีความเมตตาทำบุญทำทานช่วยเหลือพุ่นมนุษย์แล้วก็ไม่ให้ทำบา ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ถ้ามีศาสนาที่ละเอียดกว่า น, นั้นก็จะสอนให้ทำใจให้สงบนั่งสมาธิถ้าทำสมาธิได้ก็จะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรพมถ้าทำได้แต่บุญแล้วก็ไม่ทำบาปก็จะไปได้สวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มา ศึกษาปัญญาจากพระพุทธเจ้าปัญญานี่คืออะไรก็คือความรู้รู้เหตุรู้ผลนี่รู้ว่าอะไรทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเหตุที่จะทำให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี่เอง หน้าความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราอยากได้กันเพราะเราคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราวเช่นความสุขจากการได้อยู่กับ คู่ครองของตนได้สามีได้ภรรยาก็จะมีความสุขแต่ลืมไปว่าทั้งสามีและภรรยานี้ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดเวลาที่ต้องแก่เจ็บตายจากกันไปความสุขที่เคยได้รับจากสามีภรรยาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ให้พวกเรามองเห็นความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างให้มองเห็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่มีอะไรใ น, นโลกนี้ที่จะเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเสื่อมลงไปและหมดสภาพไปในที่สุดสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเวลาหมดสภาพไป เราเขาก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราต่อไปได้แต่ใจของเรายังมีความอยากมีความสุขแบบนี้อยู่พอไม่มีเราใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาที่พระเจ้าได้ค้นพบความจริงว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพลาอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากดื่มอยากรับประทานเพราะเวลาได้สัมผัสแล้วมีความสุขใจแต่เป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่ได้สัมผัสพอไม่ได้สัมผัสก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องหามาเสพมาสุมามาเสพใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจ นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีวันหมดไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรพราไม่มีความอยากได้อะไรก็จะไม่มีกาลังที่จะดันให้ไปเกิดใหม่ เวลาที่เราตายไปนี้ใจของเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่ยังอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกับมาเกิดแล้วก็ต้องกลับมาทุกข์อย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ทุกด้วยการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกขด้วยการหวาดกลัวกับภัยอันตรายต่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนกับทรัพย์สมบัติของตนกับบุคคลที่ตนรักที่ตนชอบแต่ไม่ว่าจะกลัวอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ภัยต่างๆปรากฏกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆได้เพราะว่านี่คือเป็นธรรมชาติของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ หรือเป็นบุคคลไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหมดสภาพไปนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความาพบชา้าก็เกิดจากความอยากถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่ง ไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็ไม่ต้องกลับบาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการสร้างบุญที่สูงสุดแต่ก่อนที่จะสร้างบุญที่สูงสุดนี้ได้ก็ต้องสร้างบุญที่ อยู่ขั้นต่ำไปก่อนเพราะเป็นเหมือนกับเรียนหนังสือก่อนที่จะเรียนระดับปริญญาเอกได้ก็ต้องจบปริญญาโทก่อนก่อนจะจบก่อนจะเรียนปริญญาโทได้ก็ต้องจบปริญญาตรีก่อนต้องเรียนมัธยมต้องเรียนชั้นประถมต้องเรียนชั้นอนุบาลก่อนชั้นใดการทำบุญนี้ก็เป็นขั้นๆั้น เหมือนกัด ก, การริ่มเรียนบุญขั้นแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทํากันก็คือทานคือการให้การแบ่งปันแบ่งปันความสุขที่เรามีเช่นความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์มีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเรามีมากเกินไปเราก็ควรที่จะเอาไปแบ่งปันกัน อย่างที่วันนี้ญาติโยมก็นำเอากับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยจตุปัจจัยเงินทองเอามาถวายให้กับวัดถวายให้กับพระภิกษุสามเณรอย่างนี้เรียกว่าทาน <c oughs> เป็นการให้ให้แล้วใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ใจของเราก็จะเป็นเทพเป็นเทวดาขึ้นมา แต่เราจะไปเป็นเทวดาได้เราก็ต้องทาบุญขั้นที่สองก็คือเราต้องรักษาศีลต้องปิดประตูอาบายเพราะศีนนี้เป็นเหมือน ป, ประตูที่จะปิดไม่ให้เราตกลงไปในอาบายนั่นเองถ้ารักษาศีลห้าได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรย เป็นอสูรละกายไปตกนรกอย่างที่วันนี้ญาติโยมก็ได้มาสมาทานศี่ห้ากันแสดงว่าวันนี้ญาติโยมปิดประตูอบายได้หนึ่งวันวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาถ้าทําได้ทุกวันก็จะปิดประตูอบายได้อย่างสนิท แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทำไม่ได้รักษาศีลวันนั้นก็เป็นเหมือนกับเปิดประตูอบายไว้ถ้าเกิดตายไปในวันนั้นอาจจะตกไปในอบายก็ได้หรือเวลาตายไปแล้วบาปที่เราทำไว้นี้มีมากกว่าบุญเราก็จะไปอบายได้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเลยทำแต่บุญเวลาตายไปนี้บุญจะไม่มากกว่าบาป เราก็จะไปสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นเทพที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลนี่เองถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่าเหมือนกับเปลี่ยนโรงแรมจากโรงแรมสามดาวเป็นเป็นโรงแรมห้าดาวเราก็ต้องหัดทําใจให้สงบหัดนั่งสมาธิให้ได้ ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะได้รับความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้รับจากการไปสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี่เป็นเหมือนโรงแรมห้าดาวส่วนสวรรค์ชั้นเทพนี้เป็นเหมือนโรงแรมสามดาวมีความสุขมากน้อยต่างกันถ้าอยากจะไปโรงแรมชันหน้าดาวก็ต้องหัดนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบให้ได้วิธีที่จะทําใจให้สงบนี้ก็คือต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองใจสงบไม่สงบอยู่ที่ว่ามีความคิดหรือไม่มีความคิดถ้ามีความคิดก็จะไม่สงบเหมือนกับรถยนต์ถ้ายังไม่ดับเครื่องรถยนต์ก็จะยัง วิ่งได้อยู่แต่ถ้าดับเครื่องแล้วรถก็จะวิ่งไม่ได้ใจก็เหมือนกันต้องดับความคิดหยุดความคิดให้ได้สิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสตินี้ก็มีหลายแบบด้วยกันที่จะเราสามารถเอามาหยุดความคิดได้แบบที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือการใช้พุทธานุสติ พุทธานุสติก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจา้าเช่นให้เราท่องบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธพุทโธเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่กับพุทโธได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่การที่จะทำให้มีพุทโธอย่างต่อเนื่องได้นี้ เราต้องทำทั้งวันเพราะถ้าเรามาทำตอนที่เรานั่งนี้เราจะไม่มีกำลังท่องพุโทโธเพราะเราเคยชินกับการคิดเรื่องราวต่างๆพอมานั่งหลับตาท่องพุโทโธก็ท่องได้สองสามครั้งแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อถ้าทำอย่างนี้นั่งไปกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งทําสมาธิทาใจให้สงบเราต้องท่องพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะลุกไปทําอะไรก็ให้ท่องพุโทโธไว้ไปอาบน้ำก็พุโทโธไปแปลงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธ ไปทำงานทำการก็พุโทโธพุโทโธไปจะมีเวลาเดียวที่ไม่พุโทโธก็คือเวลาที่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆเช่นเวลาคิดบัญชีบวกลบคูณหารถ้าพุโทโธไปนี้ก็จะไม่สามารถที่จะคิดบัญชีได้หรือจะคิดวางแผนทำงานต่างๆที่จะต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วเราาได้ ให้ใจเรามีสติอยู่กับความคิดคิดกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จะเป็นพอเสร็จแล้วถ้าจะไปคิดเรื่องอื่นก็หยุดถ้าจะไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้หรือคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็อยากคิดดึงให้กลับมาท่องพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถควบคุมใจให้ท่องพุทโธได้ เวลาเรานั่งสมาธิใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับพุทธโธแล้วก็ไม่นานก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบใจก็มีความสุขมีความว่างมีความเย็นมีความสบายนี่คือลักษณะของพรมมโลกเป็นอย่างนี้พมหมโลกจะเป็นที่ว่างเปล่าแต่ว่างเปล่าโดยมีความสุข ความว่างเปล่านี้แหละคือความสุขที่แท้จริงของใจถ้าใครได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะเบื่อกับความสุขที่ได้จากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสเพราะว่ารสชาติของกามนี้สู้รสชาติของความสงบไม่ได้พอได้ความสงบนี้แล้วก็จะติดอกติดใจ ก็จะไม่อยากจะไปหาความสุขทางกทางการอีกต่อไปถ้ามีแฟนก็จะเลิกกับแฟนถ้ามีสามีมีภรรยาก็จะเลิกกับสามีเลิกกับภรรยาไปอยู่วัดดีกว่าไปอยู่วัดทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่แน่นอนกว่าไม่ต้องมาวุ่นวายกับคนอื่นความสุขทางการนี้ไม่แน่นอน บางทีอยากจะเสพกามแต่คู่ครองไม่อยากจะเสพด้วยก็ไม่มีความสุขแล้วแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้สามารถเรียกได้ทุกเวลานาทีถ้ามีสติแล้วสามารถที่จะสั่งให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ทันทีนี่คือความสงบระดับสูงสุดของปุตตุชน ถ้าอยากจะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขนี้เที่เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมก็ต้องใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาที่ใจอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องสอนว่าเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ เสพยาเสพติดนี่เองคนที่ติดยาเสพติดเขาก็มีความสุขจากการเสพยาเสพติดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องทุกข์เวลาที่เขาไม่มียาเสพติดจะเสพเพราะยาเสพติดนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อได้หรือมีเงินก็อาจจะไม่มีขายก็ได้เวลาที่ไม่มีเสพเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมาน แต่ถ้าเสพด้วยความสงบนี้สามารถเสพได้ตลอดเวลาเพียงแต่ให้มีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดทะนั้นเองนี่คือปัญญาทุกครั้งที่ออกมาจากความสงบออกมาจากสมาธิแล้วอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็สอนใจไว้ว่าเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาพอมีปัญญาสอนก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเสพพอไม่มีความอยากความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่นี่คือวิธีที่เราจะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราต้องไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเพราะถ้าทำตามความอยาก จะทำให้ความอยากนี้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากจะทำให้ความอยากนี้เบาลงไปเช่นคนที่ติดสุราอยากจะเลิกเสพสุราเวลาอยากจะเสพดื่มสุราก็ต้องไม่ดื่มพอไม่ดื่มครั้งต่อไปความอยากจะดื่มสุราก็จะมีกำลังอ่อนลงไปทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุรา แล้วไม่ดืม่มต่อไปความอยากดื่มสุราก็จะหายไปพอหายไปแล้วเวลาเห็นสุราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่มีความอยากที่จะดืม่มฉันใดผู้ที่ใช้ปัญญาต่อสู้กับความอยากไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเห็นอะไรก็ไม่อยากได้ ไม่อยากดูไม่อยากฟังเพราะรู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆถ้าดูอะไรแล้วก็ต้องหามาดูอยู่เรื่อยๆถ้าได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็ต้องหามาฟังอยู่เรื่อยๆถ้าได้ดื่มได้รับประทานอะไรแล้วก็ต้องหามาดื่มหามารับประทานอยู่เรื่อยๆเช่นคนที่ดื่มกาแฟนี่พอดื่มแล้วก็ต้องหามาดื่มเรื่อยๆ ไม่มีวันที่จะหยุดดื่มได้เวลาที่ไม่มีกาแฟาดื่มก็เดือดร้อนวุ่นวายใจคนที่ดูละครก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดูก็เดือดร้อนคนที่หลับนอนกับแฟนก็ต้องหลับนอนกับแฟนอยู่เรื่อยๆวันไหนไม่ได้หลับนอนกับแฟนวันนั้นก็นอนไม่หลับนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันจากการที่เราทาตามความอยากต่างๆ เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ได้ทําบุญขั้นต่างๆขึ้นไปตามลําดับถ้าเรายังไม่ได้ถึงขั้น <c oughs> ขั้นสมาธินี้เราจะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เราต้องทําให้ไปถึงขั้นสมาธิก่อนก่อนที่จะไปถึงขั้นสมาธิก็ต้องไปขั้นเทพก่อน ต้องรักษาศีลต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้เราก็จะสามารถจเจริญสตินั่งสมาธิได้พอเรานั่งสมาธิได้เราจะมีกำลังต่อสู้กับความอยากได้เรามีปัญญาบอกให้หยุดความอยากเราก็จะหยุดได้เพราะสมาธินี้ทำให้ใจเราอิ่มทำใจให้ใจเราพอ เราใจจะไม่หิวกับเรื่องราวต่างๆพอปัญญาบอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะหยุดได้นี่คือวิธีสร้างความสุขขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดเกิดจากการสร้างบุญตั้งแต่ขั้นต่ําขึ้นไปคือการทําทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญา ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆเราก็จะก้าวขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนกับเด็กที่ไปโรงเรียนนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลถ้าไปเรียนทุกวันเดี๋ยวปีต่อไปก็ได้ขึ้นชั้นปีต่อไปก็ได้ขึ้นชั้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำทานไปเรื่อยๆรักษาสิลงไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้ถ้าเรานั่งสมาธิไปได้เรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะสร้างปัญญาขึ้นมาได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมานั่นํานมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้นำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจํานวนมาก พวกเราก็จะเป็นพรอาอรหันต์าสามลงได้เช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำทานไปให้มากๆทำให้เต็มที่รักษาศีลให้เต็มที่นั่งสมาธิให้ได้เต็มที่จเจริญปัญญาให้ได้เต็มที่แล้วผลก็จะได้เต็มร้อยอย่างแน่นอนผลเกิดจากเหตุ ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขอให้ได้ผลอย่างนั้นขอให้ได้ผลอย่างนี้ขอไปจนวันตายก็จะไม่มีผลตามมาเพราะไม่มีเหตุนั่นเองเราต้องสร้างเหตุแล้วผลก็จะตามมาเองผลก็คือทำบุญขั้นต่างๆขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญานี่เอง ยังขอฝากเรื่องของการมาตามบุญในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ที่มีหน้าที่ตามบุญขอให้ท่านได้นำเอาชีวิตเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินในฟังในวันนี้ไปเป็นคติเตือนใจสอนใจให้หมันทำบุญให้หมันเติมบุญอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย